เฟังที่ครบคะ่ะเอฟเอสถานีวิทยุสทอทรครอบครัวข่าวกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเกียรตินะคะที่ท่านกาลังฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้คะ่ะดิฉันสันนินาพงศ์ดําเนินรายการสัสนีสนทนากล่าวอาราธนาพระคุณเจ้ามา2รูปด้วยกันรูปแรกจากวั น, นาปาพงศ์ปฐมธานีอยู่ที่ลำลูกกาคลองสิคือพระมารชาคาวโรเพิ่งผ่านไปนะคะอีกรูปหนึ่งท่านอยู่ไกลถึงจังหวัดอุดรธานี อําเภอหนองหานวัดป่าดอนหายโศท่านกําลังจะมาใช้พุทธวจนะของประาศาสดาตอบคาถามของเราเราเรียกว่าเป็นเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนค่ะกราบนมัสการค่ะทั้นค่ะเชิญพอนแม่คุณยมติว๋วจริงๆอุดรธานีมันไม่ค่อยไกลนะจริงว่าคะ่ะเออคือหมายความว่าถ้าเราไปที่ไหนได้ด้วยเครื่องบินไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยถือว่าไม่ไกล แล้วก็อุดรหนึ่งก็มีสนามบินนานาชาติด้วยนะไม่ใช่บ้านนอกนะอ่าดิฉันก็ไม่ได้หมายความถึงขนาดนั้นหมายความว่าถ้าดูจากแผนที่ประเทศไทยอถ้าวัดจากกรุงเทพไปปทุมธานีกับวัดไปอุดรธานีนะคะธานีเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไกลทางแผนที่ใช่ใส่วนถ้าคนมีศรัทธาเนี่ยค่ะไม่มีที่ไหนไกลสักที่เดียวใช่คือก็มีผู้หลีกเล่นปฏิปธรรมเนี่ยก็มาจากกรุงเทพภาคใต้ภาคแรงต่างก็มากัน เดินทางกันบางทีหลายๆชั่วโมงคือถ้าถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการเดินทางมันยังสะดวกไงคือใกล้หรือไกลเนี่ยมันอยู่ที่การเดินทางสะดวกหรือไม่สะดวกแล้วก็มีทั้งรถทัวร์รถไฟเรื่องบินนะมันก็มาได้สะดวกอยู่ว่า ง, งันเถอะค่ะแล้วก็ดังที่ได้พูดไปแล้วถ้ามีศรัทธาอืมทุอย่างง่ายไปหมดเห็นหลายคนนะคะมาจากต่างประเทศพยายามจัดเวลาให้ว่าง เพื่อจะมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาพบครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาใช่ศรัทธาตรงนี้พระเจ้าเคยพูดถึงว่าสมมติถ้าภิกษุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีความสามัคคีกันแล้วก็จิตใจเนี่ยไม่มีอ่เาเรียกว่าความคิดที่เป็นกามพยบบาบัติเปลี่ยนเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยแมถึงแม้จะต้องไปไกลถึงขนาดหออข้าวไปกินระหว่างทางด้วยอย่างเงี้ย น, นะ ก็ควร<ะ>จะต้องไปดูไปเห็นไม่ต้องพูดถึงเลยแม้จะต้องแค่คิดถึงมันต้องคิดถึงแน่นอนเราถึงต้องเดินทางไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็มาพบกับพระอาจารย์เผยปูนแล้วล่ะคำถามที่ที่ฉันกราบเรียนถามค้างเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติท่านผู้ฟังคงจะกำลังรอฟังอย่างใจจดใจจอนะคะแง่มุมที่เรียนกับเรียนถามท่านไผยปูนก็คือคนที่ปฏิบัติแล้ว อาจจะเจอปัญหาไม่เหมือนเคยเอ๊ว่าปฏิบัติมานานจนชำนาญพอสมควรแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เข้าสมาธิได้ยากฟุ้งซ่านมากเพราะว่ามันมีเรื่องเข้ามาเยอะแยะมากมายตามเหตุปัจจัยที่เราไปพบอย่างนี้คะ่ะท่านคะดิฉันอยากจะกราบเรียนถามว่ามันเกิดความเสียหายกับสิ่งที่พยายามสะสมมา เป็นระยะเวลาช้านานหรือไม่แล้วก็มันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าค่ะผู้เช่าเคยตรัสอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่สมาธิค<ฆ>ันนี้คุณยมถึงกําลังพูดถึงประเด็นในที่ว่าเข้าสู่สมาธิอย่างเดียวนะค่ะ<ฆ>มันยังมี ม, มีเรื่องอื่นเช่นดํารงอยู่ในสมาธิ T. ออกจากสมาธิ T. พวกนี้ก็มีอีกนะนี่เราแยกไว้ก่อนค่ะ<ฆ>เราพูดถึงการเข้าอย่างเดียวเอ้ยเมื่อก่อนเราเข้าได้ดีเข้าได้ไวเข้าได้ได้นี่ทำไมเข้าได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราเข้าได้บางเวลาบางเวลาเข้าไม่ได้ คือถ้าถ้าเรื่องการดำรงอยู่นะี่ก็อีกรนะยะหนึ่งนะนี่เรากำลังพูดถึงการเข้าอย่างเดียวน ะ, <S <S ะพระเจ้าเคยพูดอย่างนี้ว่าคนที่จะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าคุณมีความอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจขอไปห <5 S 2> อย่างพอตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้ถ้าคุณอดทนต่อ ต, อตาอดทนต่อหูอดทนต่อจมูกอดทนต่อลิ้นอดทนต่อกาย5อย่างนี้ได้จะเป็นเหตุที่ทําให้เราเข้าสู่สมาธิง่าย แะทีนี้พอเราเจอเรื่องอะไรที่ทําให้เราอดทนไม่ได้จีจัดปริ้งปร่างขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มแล้วทําให้เราเข้าสมาธิยากาอันนี้อันที่1นะนี่แง่นนงมุมที่1ก็คือเรื่องของความอดทนแตที่เราจเจอสิ่งที่ทําให้เราไม่อดทนมันก็ทําให้เราเข้าสมาธิยากอันที่สองอันที่สองนี่คือโดยรวมนะพูดถึงโดยรวมว่าเอ๊ะอนาปานสติเนี่ยทำไมเราทําได้ไม่ลึกซึ้งลงไปนะก็มีเหตุท่าอย่างนี้ไหมนะคือเป็นผู้ที่มีกิจน้อย นะมีการงานน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแหชีวิตอันนี้อันที่1นึนะ่เป็นผู้ที่มีความามีท้องอันพร่องอยู่เสมอไหมนะสามเป็นผู้ที่ทรงสุดตาสังสมสุดตานะคือฟังธรรมอยู่เรื่อยๆในะสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนะแล้วก็4เนี่ยเป็นผู้ที่ อ, อยู่ป่ามีเสนาสนัสนั่งัดหรือเปล่านะแล้วก็5เป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้เดยไม่ลำบากซึ่งธรรมทั้งหลายนะเช่นว่าเรื่องศีลนะเราต้องสมบูรณ์นะ เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องอวิมุตติเรื่องให้สันโดษเรื่องให้ขวนขวายน้อยเรื่องการไม่คลุกคลีพวกนี้นั่นจ ะ, ะเป็นตัวเกื้อหนุนให้อานาปานสติของเราเนี่ยไปได้นะันี่คือโดยวรวมนี่ทีนี้ถ้าเผื่เราลดลงเราแย่ลงมีส่วนนดส่วนหนึ่งมันน้อยลงไปแสดงว่าไอ้ที่พูดมาห้าอย่างเนี่ยต้องได้รับการกระทุ้กระเตือนคือเหตุเราไม่ถูกต้องทําให้ผลไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราว่า อทีนี้เรามาพิจารณาตัวเองสิว่าเราเอากินน้อยไหมหรือว่าทําอหิเหตุต่างๆที่พูดมาเนี้ยยังได้อย่างถูกต้องไหมนะนะคะก็ต้องไปพิจารณากันว่าเราในะยููในคายไหนแต่อย่างไรก็ตามอาการปฏิบัติแม้ฟุ้งซ่านมีประโยชน์ในทางเป็นผลของการทําสมาธิบ้างหรือไม่คะอฟุ้งซ่านเนี่ยทําให้เราเห็นปัญหาคุณยมติว๋ว ถ้าคนที่ไม่รู้ปัญหาเนี่ยจะไม่รู้ทางแก่อย่างตั ว, ต, วตัวอาตมาเองนนเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดวินาทีหนึงสเรื่องนะเดี๋ยววันนี้จะไปที่ไหนจะโทรหาใครต้องเตรียมอะไรหรือยังทําอย่างนี้ทแล้วทํายังไงต่อไปมีแผนนี้แล้แผน2เป็นยังไงโอ้โหเราคิดมากจริงๆทุก ว, วันนี้ก็ยังคิดมากอยู่ไม่ใช่ว่าสมองมันจะล ด, ะดะกิจกรรมลงไปไม่เป็นอย่างนั้นเลยเอาแล้ถามว่า <c oughs> ตัวเราทํำยังไงเราแก้ไขปัญหาหเรื่องความคิดมาก อ, อะไรยังไงทำไมพระเจ้า บ, บอกว่า อ, อนาพนสติเนี่ยจะทําให้ลดความฟุ่นวานได้ นะคลายความคิดมากได้บางทีนี่คิดเร็วกว่าที่พูดน ะ, ค, ะคือหมายความว่ามันคิดมันเรื่องมันต่างๆมากมายแล้วคิดพูดประเด็นดนี้ประเด็นดนั้นทําให้พูดเร็วออกมาเนี่ยบางทีพูดเร็วเกินไปเดี๋ยวต้องพูดช้าๆหน่อยนะคุณโยมติว๋วมันก็คือว่าเราทําอย่างนี้ตัวอาตมาเองนะก็คือว่าเราก็แยกซะแยกความคิดออกส่วนหนึ่งแล้วก็แยกจิตออกส่วนหนึ่งพอเราทําสมาธิไปเรื่อยเนี่ยคุณโยมติ๋วเราจะเห็นว่าลมหายใจของเราเนี่ยก็อันหนึ่งนะ จิตของเราก็อันหนึ่งนะไอความคิดก็อันหนึ่งนะจิตของเราก็อันหนึ่งนะมันไม่ใช่เหมือนกันนะพอมันไม่เหมือนกันมันแยกกันออกไปเราปล่อยซะความคิดนั้นนะให้เหลือแต่จิตอย่างเดียวนะอย่างเช่นว่าเรื่องนี้หลวงปู่ชาเคยยกตัวอย่างเอาไว้ในเรื่องของเสียงท่านพูดถึงเสียงที่ดังมาจากในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาหูอยู่แต่มันไม่กวนใจมันไม่เป็นเสี้ยนน้ำของใจฟังให้ดีนะมันไม่เป็นเสี้ยนน้ำของใจหมายความว่ามันไม่กวนเรา ทีนี้มันแยกกันไปอย่างเช่นว่าเราเห็นถ้วยน้ําตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่เราก็มีอยู่แต่มันไม่กวนเรานะคือเราก็ไม่ยื่นมือไปจับมันมันก็ไม่มาโดนเราก็ไม่กวนกันแต่ก็เห็นเงินกันอยู่เช่นเดียวกันเสียงก็ได้ยินอยู่แต่มันไม่กวนเราแต่สมาธิต้องการยกตัวอย่างนี้เพื่อเปรียบเทียบกับความคิดเนี่ยความคิดมันมีอยู่มันคิดอยู่มันคิดนั่นคิดนี่มีดีก็มีไม่ดีก็มีเ้าแยกออกไปแมันแยกกันไปไม่กวนจิตของเรา อนี้ทํำไมบความคิดของบางคนมันกวนจิตทํำให้เราฟุ้งซ่านอันนี้คุณต้องแยกให้ออกไงค่ะอนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติกันต่อไปพยายามกันต่อไปเอแย่าลืมเลอกความตั้งใจใช่ที่คุณยมติวพูดถึงประโยชน์ของไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันก็มีตรงที่ว่าแล้วความฟุ้งซ่านเนี่ยทําให้เป็นฐานที่ตั้งของสติได้หมายความว่าไงเดี๋ยวพระเจ้าเคยพูดถึงนิวรณ์คุณยมติวนิวรณ์หนึ่งในนิวรณ์ห้ยอย่างคือความฟุ้งซ่านนะแต่นะมีสติอยู่ในนิวรณ์ก็ได้นะออ่า เพราะเรามีสติอยู่ในนิวรณ์หมายความว่าเราไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นเราพยายามที่เราจะรวบรวมสติของเราให้ได้ใ น, นตรงนี้ชื่อว่ามีสติอยู่ในนิวรณ์แล้วทีนี้สติเนี่ยบางทีพอเรามีสติแล้วเรายังไม่สามารถทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นไปได้คือคนที่ไม่มีสติเนี่ยนะจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาอะไรในทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วคุณมีสติในสิ่งนั้นแล้วดีแล้วนะมันจะค่อยๆเป็นไปหลอก ค่ะเพราะบางคนนี่นะคะพอทําสมาธิไปได้สักพักหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่ามันคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไปต่อเรื่อยเปื่อย <c oughs> ก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองคงจะปฏิบัติทําไม่ได้ <c oughs> นั่งสมาธิไม่ได้ดิฉันพบเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าจะต้องบ่นมาว่าเฮ้ยเราไม่รู้เป็นยังไงอืม <c oughs> พอนั่งปุ๊บนะมันคิดไปเรื่องโน้น เ, เ, เรื่องนี้สงสัยชาติเนี่ยทําสมาธิไม่ได้หรออ่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ยเขาเรียกว่าความที่คิดไม่ดีกับตัวเองอตินิปตาความสําคัญตนว่าเลวค่ะนะคนสำคัญตนว่าเลวเนี่ยมันก็จะบูุทําไม่ได้แน่ละอันนี้เป็นความอากุส น, นะคุณอมติว๋วค่ะนะคือเราเห็นอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยอะ่ะแล้วเราคิดว่าเราทําไม่ได้อะ่ะมันไม่ถูกมันมันไม่ถูกพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติทำเอาไว้แต่เราสามารถพึ่งตนพึ่งทําได้ถ้าคุณไม่รู้ใช่ไหม ค, คุณพึ่งทําสิคุณพึ่งธรรมะธรรมะมีทางออกอยู่มีเส้นทางอยู่ มีเส้นทางที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มีเส้นทางที่ทำให้ดีขึ้นมาได้แล้วคุณก็เดินตามทางนี้คุณได้แน่ทีนี้นถ้าเขาไม่อาศัยธรรมะตรงนี้เขาก็จะไปไม่รอดถ้าไปบูราเท่ากับที่ท่านพระพุทธองค์กล่าวว่าไม่ให้ดูถูกตัวเองใช่ไหมคะที่ท่านพูดเมื่อสักครูนค่นี้อธิบประตะ์ตาใช่ความสําคัญตนว่าเลวสําคัญตนว่าเลวอันนี้ดูเหมือนกับท่านพูดแคบเกี่ยวกับเรื่องของไม่ดีในทางปฏิบัติแต่ว่าในความหมายที่แท้จริงของท่านเนี่ย สำคัญตนเมื่อเร็วกินความกว้างแค่ไหนนะคะเออแค่ว่าฉันจะขึ้นพูดในที่ชุมชนอย่างเงี้ยฉันคิดว่าฉันมันทําไม่ได้หรอกขึ้นไปก็สั่นขึ้นไปก็พูดลืมเรื่องที่จะพูดนั่นแหละนั่นแหละเป็นอกุศลแล้วอ๋อไม่จําเป็นต้องถึงอยู่ในขั้นของการปฏิบัติใช่ไหมคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็พูดถึงชีวิตประจำวันของเราด้วยอ๋อก็เท่ากับว่ามีบางคนที่ชอบอาจจะแบบเป็นคนดีเกินไปก็ได้ ชอบโทษตัวเองไปหมดอันนีถือว่าผิดธรรมะของพระพุทธองค์นั้นชื่อว่าไม่ดีแล้วแล้วคะ่ะอ้วบ่วยไปให้คนอื่นก็ไม่ดีไม่ใช่เหรอท่านครับเออคือหมายความว่าเราผิดเนี่ยเราเราทุนทํำยังไงคือการสําคัญตนว่าเลวเนี่ยคือสําคัญตนว่าชั้นเลวแล้วก็คือจบแล้วไม่มีการแก้ไขแต่ <c oughs> แต่ถ้าผมว่าสําคัญตนว่าเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วเราทําคืนตามตามอันนี้ดีเพราะมันมันไม่ได้จบที่ตรงว่าฉันผิดแล้วก็เลิกไม่ใช่ แต่คุณผิดแล้วคุณทำยังไงอันนี้ดีแล้วนะคุณเห็นตัวว่าคุณไม่ดีแล้วคุณแก้ไขอันนี้ดีอ่อ า, ามันจะต่างกันตรงนี้อยู่นะคะก็เท่ากับว่าทีนี้มันมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเราคิดว่าตัวฉันไม่ดีใช่ไหมเราไม่มีใครให้กำลังใจไม่มีใครชี้ทางที่ถูกให้มันก็เลยพลาดไงก็เลยจมปลักอยู่ตรงนั้นต่อไปอ่ะทีนี้ไอ้ตรงคนที่จะมาชี้ทางที่ถูกให คนคอยให้กำลังใจอันนี้คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่เราพูดถึงกันเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นคารวะก็ได้อาจจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ได้ทั้งนั้นหรืออาจจะเป็นธรรมะคือมักมีองค์แปดก็ได้เเป็นเป็นกัลยาณมิตรได้ทั้งหมดที่จะช่วยเราได้ค่ะฉันกำลังจะถามท่านอยู่พอดีเลยนะคะ ว่าเอะเกิดในกรณีคนบางคนเนี่ยชีวิตเขาน่าสงสารมากอืทําบุญมาด้วยความเดียวดายหันไปหาใครไม่ได้เลยทําบุญมาด้วยความเดียวดายหมายความไงคนะคือหมายความว่า <laughs> เขาหันไปหาใครไม่ได้เลยไงคะคือเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนไม่มีครูดีไม่มีครูบาอาจารย์อท่านก็เฉงเลยว่าให้พึ่งทำถูกไหมคะได้ได้ถูกต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าให้ทําด้วยงั้นก็เป็นการ ที่สะท้อนแง่มุมของการปฏิบัติแล้วก็แนะนำว่าเราควรมีที่พึ่งอย่างไร ม, มีอีกคำถามนะึงคะอาจารานปฏิบัติธรรมเนี่ยวันนี้นั่งคุยกับเพื่อนก่อนมาจัดรายการบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยนั่งสมาธิเนี่ยพอเข้าผวังไม่แน่ใจว่ามันผวังหรือมันหลับเขาบอกอย่างนี้นะคะคือมันมคล้ายๆหลับผวางคืออะไรคะผวังเนี่ยตรงนี้มันคนให้ความหมายไม่เหมือนกันด้วย หลบาง<ะ>คนก็คิดว่าเป็นความที่ระยะเวลาจากหนึ่งชั่วโมงเหมือนเหลือแค่10บนาทีอันนี้ชื่อว่าเข้ารวังแต่นี้ถ้าเข้ารวังแล้วถามว่าในช่วงที่จากหนึ่งชั่วโมงคุณคิดว่าคุณเหลือแค่สิบนาทีคุณมีสติตลอดไหมถ้าคุณมีสติตลอดอันนั้นดีแต่ถ้าคุณไม่มีสติคุณแบบหลับไปหรือว่าเผลอสติไปไม่รู้ยังไงมันมาเหลือแค่สิบนาทีอันนี้ชื่อว่าไม่ดีท่าอาจารย์คะคือในรายการนี้เราเน้นที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรใช่ ดิฉันฟังมาไม่มีคำว่าผวังแต่ว่าจะมีอธิบายว่าในปฐมฌานจะต้องมีอะไรคะวิตกตวิจาร ม, มีปิติมีสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะผวังนี่เป็นอะไรของฌานหนึ่งคะจริงๆแล้วอย่างชานหนึ่งฌนานนพวกเนี้น ะ, ะถ้าเราทำให้ได้มากนมันก็จะมีอ น, นิสงส์มากคือหมายความว่าดำรงอยู่ให้ได้สมมติหนึ่งวินาทีเพราะคุณดีดนิ้วเนี่ย คุณทรงศีลให้มีวิถวกิชามีปิติมีสุขได้นะแค่นี้แล้วพอวินาทีขึ้นเว้นที่สองปุ๊บมันหายไปแล้วนะปิติไม่มีมีแต่สุขไม่มีมีแต่ปิตินะมันก็ไม่ครบองค์ประกอบชื่อว่าก็คุณก็ทําชาญได้แค่หนึ่งวินาทีนั่นแนหะถ้านอาจารย์คะแต่ดิฉันกําลังจะสงสัยอะคะ่ะว่าที่ถามท่านว่าผวังอยู่ตรงไหนของฌานที่หนึ่งเพราะถือว่าฌานที่หนึ่งนี่จะมีขออนุญาตใช้ภาษาแบบถ้าตามความเข้าใจสมัยใหม่ออื mm hmm. คือจะมีสภาวะธรรม ที่เป็นวิตกวิจารมีปีติมีปิสุขมีเอกะขาตาก็เหมือนกับว่าในชานที่หนึ่งเนี่ยก็มีองค์ประกอบค่อนข้างจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นทีนี้อยากจะกราบเรียนถามท่านต่อหลังจากที่ท่านตอบไปแล้วเนี่ยนะคะวันแล้วจริงๆนั่งสมาธิเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขนาดไม่เคยรู้สึกว่ามีภวังเลยเ้านั่งผิดหรือเปล่าคะเออไม่ผิดนะคือผวังเนี่ยมันเราหมายถึงว่าสมมุติว่าไอ้นาทีที่เราอยู่ในชานหนึ่งเนี่ยจากหนึ่งวิ น, นาทีเนี่ยคุณยื่นให้ได้เป็นห้านาที แต่คุณยืดให้ได้เป็นสินาทีไอ้ช่วง5้านาทีสินาทีตรงเนี้ยที่คุณอยู่ในสมาธินั้นเนี่ยบางทีคุณรู้สึกน้อยมากแตช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเนี่ยสมมติเราอยู่สินาทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนแค่นึ่งอยู่หนึ่งนาทีค่ะอ่าทีนี้ในสมาธิที่คุณอยู่เนี่ยในชั้นหนึ่งที่คุณทําได้เนี่ยนะสินาทีเนี่ยถ้าคุณลุมล่มหลงโมเมาไปในปีติและสุขเพลิดเพลินไปในนั้นนะอันนี้ไม่ดีนะเขาเรียกว่าตั้งสยบอยู่ในภายใน ค่ะนะแต่ถ้าคุณมีสติระลึกถึงอยู่มีสติอยู่อะไรลหมหายใจก็ได้นะในช่วง1ิมนาทีนั้นคุณอยู่ในชั้นหนึ่งนั้นอันนั้นดี <c oughs> ค่ะมีคาถามต่ออีกนะค ะ, ะท่านคะอาจารย์ฟานถ้าคนที่นั่งสมาธิมาแล้วบอกว่าก็นั่งมาตั้งนานแล้วนอกจากไม่มีผวังแล้วปีติสุข ก, ก็ไม่เคยเห็น อ, อันเนี้ยถือว่าศูนย์เปล่าไปเลยหมคะที่ทนนั่งมาเป็นเวลาปีๆเนะะี่ยค่ะ คือเราวัดได้ที่สติไงคุณชมเติวถ้าเรามีสติอยู่ ค, คุณจะก้าวหน้านิดนิหน่อยหน่ำก็มีนะตามลําดับขั้นค่ะอะมีแน่นอนถ้ามีสติอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเราเร า, เราก้าวหน้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยออนั้นก็อย่าไปตกใจคือบางเอ่ยเวลาเจอเพื่อนปฏิบัติธรรมก็จะคุยกันเรื่องพวกนี้นะค ะ, อะของคุณเป็นยังไงอของเราเป็นยังไงคะ่ะสภาวะธรรมของแต่ละคนก็เป็นประสบการณ์ของเขา นะเบนชมาร์ <benchmark, S 2> วิธีการวัดนะมีมาตรฐานบุรชาให้ไปแล้วคือสติคแค่นั้นเองตัวเดียวใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะใช่สงสัยต้องไปคุยสัปดาห์หน้าก็คุยเรื่องสมาธินี่อยากคุยต่อจริงๆเอาเป็นว่ายกยอดนะคะท่านคะอะก็ออออยังไงของความเมตตาท่านได้ช่วยกรุณาคุยในสัปดาห์หน้ากันด้วยแล้วกันสำหรับสัปดาห์นี้กราบขอว่าคุณท่านเป็นอย่างยิ่งไหมค่ะนกาค่ะ ท่านฟงทีครบค่ะท่านเพรื่วนก็ไม่ได้ไปไหนไกลแล้วนะคะคือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอแห่งนี้จะได้ท่านได้ฟังด้วยแต่อย่างไรก็ตามท่านเพรื่วนก็พูดธรรมที่เป็นประโยชน์กับเราในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะสมุนไปฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ตามอธิยาศัยค่ะนะคะส่วนรายการเนี้ยพยายามจะพูดเรื่องของการปฏิบัติก็ให้ค่อนข้างาง่ายง่ายสบายต่อการเข้าใจด้วย พรุ่งนี้ดิฉันแล้วก็ท่านมาร์กนะคะก็จะพักไปรวมไปถึงวันอาทิตย์นะคะกลับมาพบกับท่านฟังกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้สถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวแห่งนี้ละค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะก็อย่าลืมไปทบทวนว่าฟังรายการแล้วท่านได้อะไรไปบ้างไปดั่งทําสมาธิกันต่อเลยเคยเกิดความฟุง้งซ่านไม่สบายใจตอนนี้คงดีขึ้นนะคะเคยมีความรู้สึกว่า เอ้พอวังเหมือนง่วงเป็นยังไงไปแก้ไขกันเอาเคยมีความรู้สึกว่าเอ้มันไม่เคยมีพวังเลยก็ได้รับคําตอบแล้วไม่รู้ว่ามีปิติมีสุขหรือเปล่าได้ชานหนึ่งหรือยังหรือศูนย์เปล่าไปเลยไม่สบายใจกันมากขึ้นจริงๆนะคะก็ต้องข อ, อเชิญมาพบกับเราในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พุทธวัตรสวัสดีนะคะจากดิฉันสนัรสีนาพงค่ะ